วันคืนร่วงไปลงไปไม่มีอะไรใครทำธุระปะฟังธุระมากธุระน้อยธุระอะไรให้ตล่อมมาเพื่องานข้างในพวกเราอย่าลืมเขาว่าบุญธุระปะปังอะไรทุกอย่างเสียสลักลงไปที่บุญนะ รวมลงมาที่ใจเพื่อใจได้กำลังใจได้กำลังเพื่อหันเข้าหาข้อปฏิบัติหันเข้าหาหนทางปฏิบัติเราคิดดูทีวันคืนล่งไปล่วงไปถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เน้นข้อปฏิบัติอันนี้เนี่ยเราจะเน้นอะไรเราอยู่เพลินไปวันวันหนึ่งบางทีวันหนึ่งล่วงไปแล้วเนี่ย เรามาย้อนรำลึกดูเราได้อะไรบางทีเราก็เพลิน ไ, น, พลนไปกับสิ่งนั้นเพลินไปกับสิ่งนี้ถ้าเป็นงานเป็นการที่เราไปทําพอที่จะเป็นฝีดไม้ลายมือเราก็รำลึกย้อนหลังได้ว่าเออเราได้สิ่งนั้นเราได้สิ่งนั้นเราทําสิ่งนั้นเราทําสิ่งนั้นเราก็อาจจะพลอยปลื้มผิตียินดีไปแต่เราอย่าลืมอย่าลืมตะล่อมเข้ามาที่บุญ เพื่อมาปรับปรุงเพื่อมาส่งเสริมเพื่อมาอุดหนุนใจของเราให้มีกําลังเราคิดดูสิมีอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันนี้ถ้าเราไม่เอาปี้เป็นเป้าเป็นหลักเป็นประธานในการในการคิดในการตะล่อมในการรวมในการประเมินผลแต่ละวันแต่ละวันนี้ เราก็อยู่อย่างไม่ลืมหูลืมตาอยู่อย่างหลงหลงลืมลืมไม่รู้ว่าวันคืนล่วงไปเราจะได้อะไรบางทีก็เพลินไปเผลอไปมหมดสนุกกับสิยนู้นสนุกกับเสียงนี้ไปเลยลืมไปลืมหนักหนักข้าวจนลืมข้อปฏิบัติลืมข้อปฏิบัติคือลืมย้อนมาดูตัวละเอง ข้อปฏิบัติข้อวัดส่วนตัวข้อวัดส่วนรวมข้อวัดส่วนเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์พ ร, ระปาฏิหอะไรที่เป็นเรื่องละเอียดลอที่จะถล่มเข้ามาที่จิตที่ใจก็ได้ลืมไปอต้องระวังอย่าลืมลืมไม่ได้พูดกันก็พูดได้คุยกันก็คุยได้เล่นกันก็นเล่นได้บางการบางข่าว แต่อย่าลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์ภาวะของมนุษย์เนี่ยมันจะอยู่ปะปนกันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้สุขบ้างทุกบ้างสนุกบ้างคิดนน้นคิดนี้บ้างคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปก็ได้ช่องได้ทางได้ข้อคิดได้ข้ออ่านบางทีก็ข้อคิดในทางข้ออ่านในทางที่ดีบางทีก็ในทางที่ไม่ดี ในทางที่ดีก็เป็นเหตุว่าเรามาระลึกตามหลังเราก็ได้กําลังใจแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็หล Ł วมตัวไปให้กับมันหล Ł วมไปหล Ł วมไปหล Ł วมไปหล Ł วมไปกลับเป็นหมดกําลังใจหละหมดกับจิตกับใจหมดกําลังใจละหมดกําลังใจในภาวะความเป็นอยู่ของเราเห็นว่าอย่างนั้นจะดีกว่าอย่างนี้จะดีกว่าเนี่ยมันชวนไปอย่างงั้นใช่ไนี่ไม่อยากไม่น่าอยู่ หน้าเบือ่อหน้านายไปอย่างนั้นจะดีกว่าไปอย่างนี้จะดีกว่าระวังให้ดีระวังให้ดีเราต้องผ่านปมตรงนี้ให้ได้มันเกิดจากปม อ, อะไรมันเกิดจากเงื่ออะไรที่มันทำให้กิเลมันชอนมันชยัยมันศาะมันกัดมันตีให้แตกตีให้แยกตีเราออกจากข้อปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิปทาน ดูให้ดีดูให้เข้าใจยึดหลักยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสะพานเชื่อมยึดเอาหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์พระบริสุทธิ์ที่คุณท่านบริสุทธิ์ที่คุณเพราะพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณที่มีในพระองคนะ์เป็นเหตุให้พระองค์ได้รับความบริสุทธิ์ เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระองค์ไม่เอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวยังหันกลับมาดูพวกเราแล้วก็กลับมาเมตตาสาั่งสอนพวกเราพระมหากรุณาธิคุณเราระลึกถึงข้อนี้แล้วก็เอาเป็นสะพานเชื่อมมาที่พระธรรมเพราะพระธรรมเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติคือ เป็นวิชาการที่มาดู ง, งานของเราว่าเราทางานยังไงเพื่อที่จะมระซักฟอกขัดกลางจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เราก็มาดูที่งานงานงพระธรรมพระธรรมเป็นข้อปฏิบัติพระธรรมโดยคุณที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้สวัสดโตภกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ตรัสไว้ดีแล้วคําว่าทรงตรัสไว้ดีแล้วนั่นน่ะคือพระองค์ตรัสไว้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงของสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงจริงอยู่ยังไงก็พระองค์รู้อยู่อย่างนั้นตามที่มีจริงตามที่เป็นจริงนี่ที่เรียกว่าตรัสถูกต้องคําว่าชอบชอบในที่นี้หมายความว่าถูกตามหลักความเป็นจริงเช่นอย่างภาะวะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมทั้งส่วนที่เป็นนามธรรม มีภาวะเป็นไตรลักษณ์ที่จะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพรงตรัสไว้ชอบชอบหมายความว่าภาวะต่งตางๆเหล่านั้นไม่เที่ยบภาวะต่งตางๆเหล่านั้นเป็นทุกภาวะต่งตางๆเหล่านั้นบังคับบัญชาไม่ได้ที่จะเรียกว่าอนัตตาอนัตตานี่ี่อทรงตรัสไว้ถูกทรงตรัสไว้ตรงทรงตรัสไว้ชอบสวาสดขาโต ที่เรียกว่าสวาัสดิธรรมธรรมที่ตรัสไว้ชอบทรงตรัสไว้ชอบแล้วก็ทํารมอันพระพูมีพระพักตเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันติปิโกก็ทําต่างๆเหล่านั้นเนี่ยใครเป็นผู้เห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นก็คือพระจิตของพระองค์พระสาวกองค์นั้นท่านท่านรู้ท่านเห็นก็คือจิตของท่าน อุบายอาจารย์องค์นั้นท่านรู้ท่านเห็นก็คือจิตของท่านท่านรู้ท่านเห็นแต่แล้วท่านเํามาเล่าใเราฟังของจริงเป็นของท่านทั้งหมดตเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นถึงแม้ว่าท่านจะเล่าเราฟังก็ยังเป็นของปลอมของเราอยู่พอมาถึงหูพวกพวกเรายังเป็นของปลอมสำหรับพวกเราพวกเรายังเป็นเหตุอยู่ยังจะต้องสร้างเหตุอยู่แต่ท่านเอาผลมาเล่าให้เราฟัง ทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกคือท่านเข้าไปรู้เองท่านเข้าไปเห็นเองต่อเมื่อเรารับข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้มายึดถือเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนได้ผลได้ผลไปจักที่ิตของเราเองฉันทิติโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นเองสันทิติสันทิติโกสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเอง กาลิโกไม่ประกอบด้วยการคําว่าไม่ประกอบด้วยการนี่ไม่จํากัดว่าเช้าสายบ่ายเที่ยงกลางวันกลางคืนตอนไหนไม่ไ ม, ไม่ไม่ประกอบด้วยการเวลาสามารถจะตามถึงได้สามารถจะรู้ได้เห็นได้รู้ทำเห็นทำได้ไม่จํากัดว่าจะต้องเห็นตอนเช้าจะต้องเห็นตอนกลางวันจะต้องเห็นตอนค่ําจะต้องเห็นตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มหรือเที่ยงคืนหรือใกล้สว่าง ไาไหนเวลาไหนไม่สำคัญไม่ว่าอิริยาบถยืนบอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนอาการโกอาการโกไม่ประกอบด้วยการเฮฮิปาชิโกเฮฮิปาชิโกเฮฮิปาชิโกควรเรียกให้มาดู ชวเรียกให้มาดูน้องตาน้องต า, งตาท่านท่นานใช้คำ ว, ว่าพระธรรมท้าทายให้เราย้อนมาดูย้อนมาดูดูดดดที่ใจพระธรรมท้าทายให้เราย้อนมาดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชวนให้เขามาดูแท้ที่จริงก็คือเอาคุณสมบัติคุณวิเศษของธรรมตั้งเอาไว้แล้วก็ชวนคนอื่น มาปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเฮฮิปาติโกย้อนเข้ามาดูโอปนายโกให้น้อมเข้ามาน้องเข้ามาที่ใจอันนี้เป็นคุณบทเป็นคุณลักษณะของพระธรรมเป็นคุณของพระธรรมโอปนายโกให้น้องเข้ามาน้องเข้ามาที่ใจ ท่านให้ให oh, ้น้อมน้อมข้างในเข้าไปข้างนอกน้อมข้างนอกเข้ามาข้างในโอปนาอิโกอปะนาอิโกน้อมเข้ามาเหมือนอย่างเราได้ยินได้ฟังเรื่องเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็น้อมมาใส่ใจของเราท่าพูดถึงเรื่องทานเราก็เราก็มารำพึงถึงทานวราเรามีทานไหมท่านพูดถึงศีลเราก็มารำพึงถึงศีลศีลของเราบริสุทธิ์ไหม ท่านมาพูดถึงเรื่องสมาธิเราพย้อนเข้ามาดูที่ตัวของเราเรามีสมาธิไหมเราได้รับความสงบไหม <c oughs> ท่าพูดถึงเรื่องปัญญาเราก็ย้อนมาที่ปัญญาของเราเนี่ยเรามีปัญญาไหมรักษาตัวรอดไหมรักษาใจรอดจากกิเลสไหมโอปะนายโกถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีได้ไโอกาสควรให้ทานก็ให้ควรรักษาศีลก็รักษาควรทา จิตให้ได้รับความสงบก็ทํากิตให้ได้รับความสงบคนเจริญปัญญาให้ได้รับความรอบรู้ก็เจริญให้ได้รับความรอบรู้นี่เรียกว่าโอปัญโกน้อมเข้ามาน้อมคนอื่นเข้ามาหาตัวเราน้อมเราเข้าไปหาคนอื่นน้อมความสุขของเราเข้าไปหาคนอื่นน้อมความสุขของคนอื่นเข้ามาหาตัวเราน้อมธรรมะข้างในออกไปข้างนอกน้อมธรรมะข้างนอกออกมาข้างใน เพราะธรรมะมันมีทั้งข้างนอกมีทั้งขง้างในข้างนอกก็คือสัตว์สิ่งของบุคคลข้างนอกหรือถ้าจะว่าในตัวเรามีทั้งนอกทั้งในคำว่านอกในตัวเราก็คือ Euros อัตภาพร่างกายมีนเป็นนอกในก็คือจิตใจดูกายแล้วก็มาเทียบดูใจดูใจแล้วก็มาเทียบดูกายดูกายแล้วมาเทียบดูใจดูใจและมาเทียบดูกายภาวะของมันก็มี ไม่เที่ยงไม่คงที่แล้วก็ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้มีภาวะเหมือนกันหมดโอปัญญโกโ ก, โกวนน้อมเข้ามาปัจจตังปัจจัตังเวดิตาโบวินยูหิตอันยินยูชนพึงรู้จําเพาะตนปัจจัตังปัจจทังแลลว่า จ, จําเพาะตนจําเพาะตนใครปฏิบัติใครรู้เองเข้าใจเอง เหมือนอย่างเรารับทานอาหารเข้าไปเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ทราบรสเขามันเองรับทานเข้าไปแล้วเริ่มอิ่มเต็มตื้นขึ้นมาเราก็ทราบด้วยถั่วของตัวเราเองก็ทําในใจของเราก็เช่นเดียวกันก็ทําไปแล้วเราได้รับความสุขได้รับความชุ่มช่ำชื่นเบิกบานจากจิตของเราสงบจิตใจของเราไม่กวัดแกว่งอ ทำให้ร่างกายของเราเนีเบาสบายจิตใจของเราเนี่ยปลอดโปรง่งไม่พิษไม่ทื่อไม่เครียดไม่มืดมันมืดทึบๆีเราทราบโวยตัวเองปัจจัดตังรู้จำเพาะตนปัด จ, จัดตังรู้จำเพาะตนเราเทียบยังไงเราเทียบว่าธรรมะเกิดที่ใจเราถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็เทียบว่าเวลากิเลสเกิดในใจของเรา เป็นอย่างราคะเกิดที่ใจของเราเนี่ยเราก็ดูโอ้นี่ราคะมันเร่าร้อนอย่างนี้นี่นี่นี่นี้อันนี้เป็นกิเลสเราก็ดูเข้าไปราคะมันตั้งอยู่อย่างนี้นี่นี่แล้วราคะมันดับลงไปอย่างนี้นี่นี่เวลามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันดับไปบางทีมันก็ดับไปด้วยด้วยมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันมันก็ดับไปเอง บางทีมันไม่ได้ดับไปเพราะบุญหมดเหตุหมดปัจจัยแต่มันดับไปเพราะการเวลาล่วงไปเนื่องจากว่าอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอารมณ์ใดที่จะอยู่คงที่ในกิจของเรามีออนั้นผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปมีอันนี้อันนี้ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปมีอันนั้นผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่มีอารมณ์ใดแม้สักอย่างที่จะคงที่อยู่ในกิจใจของเราเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไม่ว่าจะเป็นทางด้านรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านนามธรรมาลักษณะของอนิจจังทุกขังนัตตาทั้งส่วนของของรูปธรรม ท, ทั้งส่วนของนามธรรมาโภปนายโยโงน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเทียบเทียงให่เกิดความให้เกิดความเข้าใจธรรมะยังไม่เกิดเวลาเกเลตเกิดมันเกิ ด, กดยังไง ร, ราคะเกิดเป็นยังไงดูไปริดเหลี่ยมเขามันราคะเกิดที่กายเป็นยังไง ทำให้เร่าร้อนอยังไงแสดงที่จิตทําให้จิตเร่าร้อนอยังไงกระสับกระส่ายวุ่นวายยังไงกระเสือกกระสนดิ่นรนสารพัดยังไงนี่คือกิเลสเกิดทีนี้เวลาราคามันดับเวลาราคามันดับไปมันหมดไปมันดับมันดับไปเฉยๆดับอาการแต่ว่ามันมันยังไม่ตายไปจากใจของเรานะเราก็ดูแค่มันไม่แสดงอาการออกมาจิตใจภาวะของจิตใจของเราเป็นงไง เรารู้เฉพาะเร า, านีราคะโทสะเวลาความโกรธเกิดเป็นไงความโกรธเป็นฤทธิเดชของกิเลสเราดูมาที่ร่างกายของเราร่างกายของเรามันเดือดดาลนนเวลาความโกรธมเกิดขึ้นจิตใจของเราเนี่ก็บิ่นเร็วๆมีความโกรธเกิดขึ้นมันเครียดแค้มันเหมือนกับตัวของเราเนี่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจจะตัดใจชีก สิ่งที่เราเครียดแค้ไห น, นทิพายวายวอดไปหมดมมหนี่คืออำนาจของความโกรธนี่คือกิเลสเกิดที่เวลามันดับเวลามันดับจิตใจเรามีความสุขอยังไงอันนี้ขณะมันสมมุติมันเกิดขึ้นโดยลำพังของมันแล้วก็มันดับไปโดยลำพังของมันกับการที่เราพิจารณาย้อนพิจารณาดูเหตุดูผลแล้วก็มันดับด้วยเหตุด้วยผลที่เราพิจรารณารู้เห็นรู้เข้าใจนี่เราก็ แก้งระจับที่ใจของเรานี่เขาเรียกว่าปัจจับตางปัจจับตั ง, ตงอันนี้เป็นเรื่องของพระธรรมพระธรรมที่เป็นคุณทั้งหมดต่างๆเหล่านี้เ้าเรียกว่าธรรมคุณพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นผลเป็นส่วนผลเป็นส่วนผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้อนไปที่เหตุ เหตุที่จะทำให้คุณมารมต่างๆเหล่านี้เจริญงอกงามขึ้นในจิตในใจของเราเราจะต้องใส่ใจในปฏิปทาของตัวของเราเองตั้งใจรักษาศีตลตะล่อมเข้ามาตั้งใจเจริญสมาธิตั้งความภาคความเพียรใช้ความอดใช้ความทนใช้ความอุตสาหพยายามทาผิดให้ได้รับความสงบมันไม่อยู่ก็พยายามดึงเข้ามา ภาวนาไปภาวนาไปมันไม่อยู่รู้สึกตัวก็ดึงเข้ามารู้สึกตัวก็ดึงเข้ามาหากมันจะต้องอยู่ด้วยความภาคความเพียรจิตจะต้องอยู่ด้วยความภาคความเพียรจิตจะสนบลงด้วยความภาคความเพียรจิตจะอยู่ได้ด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจจิตจะต้องจะต้องแพ้ความอดความทนของเราในการฝ่าฝืนอดทนดึงรั้งให้มันอยู่จนได้ในสุดมันก็อ่อนแรงมอ่อนแรงก็อยู่ จิตของเราก็ได้รับความสมบงบปฏิบัติต่างข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้แหละเป็นทางเดินเป็นทางเดินเพื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าดีแล้วสวัสดิ์คตัวภควาตาธโมเพื่อเข้าไปเป็นสันทิฏฐิกโก เพื่อเข้าไปเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเพื่อเข้าไปเป็นโอปนายโกเอหิปัิโกโอปนายโกปัจจตังปฏิปทาต่างๆเหล่านี้เพื่อเข้าไปรู้ผลงานคือคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมีนขึ้นในจิตในใจของเราที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงนั้นเป็นส่นสวนผลที่พระองค์ทรงตรัส พวกเราเป็นผู้ที่จะต้องประกอบเหตุเพื่อเกิดผลต่างๆเหล่านั้นตามมาเราทํายังไงเราจะต้องถึงคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นถึงจะเกิดขึ้นมีขึ้นมันก็ไม่พ้นสร้างอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าคือศรัทธากรเช้าศรัทธาก็เชื่อมั่นเข้ามาอยากได้ดีดได้ดีอยากบริสุทธิ์เหมือนท่านวิริยะคือความภาคความเพียรก็นหนุนเข้ามากําลัง กำลังทางด้านจิตใจมัน ม, ม, จจ ม, มีความจดจ่อที่ที่ที่เาเรียกว่าสติก็มีเมื่อมีความจดจ่อหนักหเข้ามากๆเข้าสมาธิก็มีปัญญาก็มีสติสมาธิปัญญารวมกันแล้วเป็นกําลังทําให้เรามีกําลังในการทํางานเพื่อจะได้เกิดผลผลของคุณธรรมต่างๆอนี้คือพระธรรมคุณคุณของพระธรรมเราเอาอะไรเป็นสะพานเชื่อมเข้ามาที่คุณของพระธรรม เาเอาคุณของพระ พ, พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยชิ้นเชิงพระสงค์พระอริยสงฆ์ท่านบริสุทธิ์หมดจดจับเกลียดโดยชิ้นเชิงเราก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากบริสุทธิ์เหมือนท่า น, นเราก็เอาพุทธเจ้ามาเป็นสะพานเชื่อมมาที่พระธรรมแล้วก็ตั้งออกตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมจนผลต่างๆเหล่านั้นปรากฏผลเข้ามาที่จิตใจของเรา อันนี้เป็นสัจธรรมโดยผลเป็นสัจธรรมโดยผลเมื่อเราประพุติปฏิบัติธรรมจนเกิดขึ้น Graham, มีผลใ น, น, ในใจินน ต, จ ต, ต ใ, นนในใจของเราแล้วผลต่างๆเหล่านี้จะต้องปรากฏในจิตในใจของเราเราไม่ต้องไม่ต้องไปสงสัยนนเราไม่ต้องสงสัยในเมื่อสัจจะทั้งหลายทั้งปวงทั้งส่วนที่เป็นสมุทัยทั้งส่วนที่เป็นทุกข์ทั้งส่วนที่เป็นสมุทัยทั้งส่วนที่เป็น น, ป น, น, ปนิโรธและทั้งส่วนที่เป็นมรร มันประจักษ์ใจอยู่เฉพาะใจของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปลังเลสงสัยเราก็หย้อนมาพิจารณาดูได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทาปฏิบัติแล้วมีแล้วเป็นแล้วเป็นไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยท่านเดินไปตามหนทางนี้ได้นะสะดวกสบายผิดถูกอย่างไรก็ตามแต่ก็สามารถจะถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังพลิกหน้าพลิกหลัง แล้วก็ค่อยๆคุยยขีเกียร์แค่ๆค่อยก้าวไปจนได้บางการบางคราวก็อาจจะเสียเวลามากบางการบางคราวก็หลงติดก็เสียเวลามากบางคราวก็เสียเวลาน้อยบางคราวก็ก้าไปก้าวไปก้าวไปได้เพราะหร่เพราะเหตุเราก็ประกอบที่จิตของเราผลเวลาจะปรากฏก็ปรากฏที่จิตของเรามีทิศที่ท่านเรียกว่าประจักษ์ที่ใจของเรานี่ สันติโกสันติโกรู้ปัจจตังปัจจตังรู้จำเพาะตนรู้จำเพาะตนรู้ที่ตนรู้ที่ใจของตนก็เมื อ, อ น, นอยางกิเลสกิเลสตัวไหนกําลังเกิดขึ้นในใจของเราตอนนี้เดี๋ยวนี้เราก็ทราบได้คนอื่นทราบไม่ได้แต่เราทราบได้กิเลสตัวไหนที่เราทําไปแล้วมันเป่าไปมันจางไปแล้วก็มันหมดไปมันเสื่อมซีดไปไม่โผล่ขึ้นมาอีกเราก็ไปจับที่จิตของเรา เม่ช่นกการตั้งอัวตั้งใจทําเราไม่ต้องเราไม่ต้องสงสัยไม่ใช่ว่าทําอนุนนี้นิดหน่อยน่อยมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็สงสัยมีอนุนี้นิดหน่อยน่อยเกิดขึ้นมาแล้วก็สงสัยสงสัยมันก็อยู่ที่จิตนิจใจของเรามันคืออะไรมันเป็นอะไรแล้วก็สอบเข้าไปสาวเข้าไปสื้อเข้าไปสาะเข้าไปพิจารณาเข้าไปย้อนหน้าย้อนหลังเข้าไปคืออะไรกันแน่อืเอาความไม่ตายใจ เอาความไม่ปักใจเชื่อเอาความไม่ตายใจกับสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราเป็นตัวตัดสินถ้าเราตั้งตัวนี้เอาไว้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ไว้ทราบเข้าไว้รู้ไว้ทราบเข้าไว้ไม่ใช่ปักใจเชื่อยึดเป็นมิตรเป็นมหามิตรขึ้นมาทันทีไม่ใช่ดูไปก่อนพิจารณาไปก่อนนะจนกว่าจะเห็นผลเห็นอานิสงส์จนกว่าจะเห็นคุณเห็นประโยชน์อย่างแท้จริง แต่มันก็ไปจับที่จิตดวงนั้นแหละสังเกตสอดไปสังเกตสอดมาสอดมาสอดไปเราก็รู้ได้เราก็ทราบได้เราก็เข้าใจได้ไม่ต้องไม่ต้องหลังเล่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตั้งเข้ามากบจึกเข้าไปเลยที่ที่จิตที่อารมณ์พอจะต่อสู้กันกบต่อสู้กันเลยต่อสู้กันก็คือกำหนดจดจ่อพิจารณาคลี่คลายพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไป สตสมาธิปัญญาตล่อมรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ทำให้เกิดกำลังทำให้มีพลังเหมือนเรามีไฟแสงสว่างแสงสว่างโรสองเข้าไปที่งานของเราที่เรากาลังประกอบอยู่สว่างโรมีอะไรเกิดขึ้นยังไงเราก็รู้ได้เราก็เข้าใจได้เราก็ทราบได้เราก็ตั้งอกตั้งใจทาเข้าไปตั้งอกตั้งใจทาทาถึงขั้นไหนทาถึงขั้นที่มันมีมันเป็น ยังไม่มีไม่เกิดนก็คือยังไม่เกิดนั่นแหละเกิดเร็วเกิดช้าก็คือเกิดเร็วก็คือเกิดช้านั่นแหละเราไปกัดเราไปเกณฑ์ไม่ได้เรามีโอกาสเรามีหน้าที่ทำทำเหตุสร้างเหตุเข้าไปผลทั้งหลายจะปรากฏออกมาเองแม้แต่ความสงบ ก, ก็ต้องให้มันสงบขึ้นมาเองทีแรกเราก็กําหนดเข้ามาอยู่กํากับเข้ามาอยู่บังคับให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่ แต่เวลาเขาได้รับผลโดยอิสระของเขาเขาก็จะละเอียนลึกซึ้งไปกว่าที่เราบังคับความรู้ความเข้าใจที่เช่นเดียวกันเราบังคับให้เขาพิจารณาดูลักษณะของอนิจจังดูลักษณะทุกขังดูลักษณะของอนัตตาพิจารณาย้อนไปพิจารณา ย, าย้อนมาพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาจนกว่าจะมีผลปรากฏทราบชัดเจนที่จิตของเราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมา ในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจทํามันก็เป็นการสร้างเหตุขึ้นมามันเป็นปัญญามันเป็นความรอบรู้มันเป็นการคลี่คลายไปเป็นไปตามปกติธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าหาเขาชำนิชำนาญและเขามีกําลังฟังชาขึ้นมาญาณญาณคือปัญญาที่ตามที่ว่าปัญญาญาณก็สามารถจะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุมาตัดสินความรู้ความเห็นความเข้าใจของเราให้ชัดเปนเข้าไปหมดความลังเลสงสัย เราตั้ง อ, อกตั้งใจทําเข้าไปข้าพุทธคุณเพราะธรรมคุณคุณของพุทธเจ้ามีผลมีประโยชน์มีอนิสงส์คุณของพระธรรมคุณของพระธรรมก็มีอยู่อย่างนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์อยู่อย่างนี้คุณของพระธรรมมาไปไล่ดูดิพระธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วชอบยังไงก็ชอ บ, อชอบเมื่อตรัสไว้ถูก ต้องตรงตามนั้นจริงๆเราก็ปฏิบัติไปตรงตามนั้นเจออย่างนั้นพบอย่างที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ก็เราก็อ่อเองสันติจิโกเห็นเองรู้เองข้างใจเองหมดความสงสัยเองโอนะอโกปจัจจตตังรู้จําเพาะตนบินยูชนถึงรู้จําเพาะตนเขาว่าบินยูชนก็คือเป็นปราฏเป็นบัณฑิตแล้วสามารถเข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้ รู้ได้เห็นได้จำเพาะตนถ้าหากจะเอาเหตุผลมาเล่าคนอื่นฟังคนอื่นก็ฟังเป็นส่วนเหตุเท่านั้นเองแต่ผลอยู่ปรากฏที่ใจของเราแหละกิเลสมจะเบาบางไปเห็นธรรมะส่วนไหนสว่างไสวภายในหัวใจแล้วก็ทราบที่จิตใจของเราคนอื่นก็ได้ยินได้ฟังรับฟังเฉยๆนั่นเป็นส่วนเหตุแล้วจะยิดไปเป็นข้อปฏิบัติได้กลนได้อุบายได้วิธีได้กําลังจิตกําลังใจที่จะสร้างที่จะทํา ให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ตามกันไปเท่านั้นเองคื อ, อคือการตั้ง อ, อกตั้งใจทําการตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติจนเรามีอินทรียแก่กล้าเมื่ออินทรียแก่กล้าแล้วก็จะทําให้ความเพียนของเราเนี่ยหนักแน่นเข้าไปหนักแน่นเข้าไปจนจะได้ผลได้ประโยชน์ดนได้ดีสงได้รับความสงบก็ได้รับความสงบแนบแน่นเข้าไปทําราคะ โทษะโมหะให้เบาบาลงไปทำความคลายสงสัยกับสักกายอาทิตฐิสงคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็มีความรู้มีความเข้าใจละเอียดลึกซึ้งไปมันหากได้รับความแช่มชื่นเบิกบานในหัวใจมีกำลังจิตมีกำลังใจมันมีความเบาสบายปลอดโปร่งในหัวใจมันแตกต่างกันกับเมื่อก่อนคิดยังไงก็ไม่ออกดึงไปยังไงก็ไม่ออก มันตีมันตันไปหมดมันไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเพิ่มพูนจิตใจของเราให้เบาให้สว่างในรอบรู้กับงานที่เราตั้งอกตั้งใจทําเมื่อเราทําไปเราทําไปผลอันนี้ก็ปรากฏขึ้นได้มีได้เป็นได้กลายเป็นเครื่องมือทําเราได้ดําเนินไปตามตามสายทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปยังไม่จบไปจนจบ ไปยังไม่สุดไปจนสุดไปเรื่อยๆ่ารตั้ง อ, อกตั้งใจทำมันไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่าเท่ากับการที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำจนเกิดผลเกิดอานิสงที่เรียกว่ามีผลของการปฏิบัติการปฏิบัติตั้ง อ, อกตั้งใจทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะไม่เปล่าได้ผลได้ประโยชน์ได้อนิสงตามความตั้ง อ, อกตั้งใจ ธรรมานุธรรมปฏิปติผู้ปฏิบัติจะต้องได้ตามความรู้ความเข้าใจความเสียสละตามเหตุตามปัจจัยที่ตนตั้ง อ, อกตั้งใจทำได้มากในน้อยก็ได้ตามสติได้ตามกําลังแหงตนแหงตนที่จะทําแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์เลยไม่มีอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าเรายั ง, ยงเกาะยังไม่ติด เรายังเกาะยังไม่ติดเราก็ได้นิสัยเราก็ได้ปัจจัยเราก็ได้รู้ได้ความเข้าใจในช่องทางเพราะเราฝึกเราฝืนในช่องทางต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเหตุให้เรา ช, se, ชำ น, นิชำนานก็ไปเรื่อยชำนานก็ไปเรื่อยชำนาน้าไปเรื่อยให้เราหมุนเข้ามาข้างในตลอดหมุนเข้ามาข้างในทุกระยะทุกเวลาหมุนเข้ามาที่ที่กายของเราหมุนเข้ามาที่จิดของเราหมุนเข้ามาแล้วม <Ash> ันก็จะอยู่ในงานอยู่กับงาน อยู่กับข้อปฏิบัติอยู่กับงานอยู่กับจิตอยู่เฉพาะจิตรู้อยู่เฉพาะจิตรู้กํากับจิตรู้อยู่เฉพาะจิตเราดูมันไม่มีอะไรอยู่เฉยๆในจิตของเราไม่มีมันไม่ ม, ม, ม, มีแม้แต่อารมณ์ราคะโทสะโมหะแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างภายในจิตของเรามันก็จะไม่คงที่นะสักน้อยหนึ่งพอเราปล่อยไปสักพักหนึ่งมันก็หลงลืมไปแล้ ลืมปแล้วกลายเป็นอารมณ์ใหม่ขึ้นมาแล้วแม้แต่อารมณ์ที่เราชอบที่สุดน่ะอารมณ์ราคะที่ชอบใจที่สุดดูเดือดที่สุดนั่นแหละเราปล่อยไว้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดับไปข้างมันเองเนี่ยแม้แต่อารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดดับเกิดดับภายในใจของเราเวลามีมันก็มีด้วยเหตุด้วยปัจจัยเวลาดับบางทีเราก็ปล่อยไปปล่อยไปมันหากมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่ถ้าเราตามรู้ตามเห็น เกิดเหตุเ <tu> ก <i ro> ิดมันก็มันก็มีเหตุมันเกิดขึ้นมันก็มีเหตุเข้ามันดับไปมันก็มีเหตุเข้ามันแต่ถ้าหาเราไม่พิจารณาบางทีมันเกิดขึ้นมีเหตุอยู่แต่เราไม่พิจารณาเหตุแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ในจิตนั่นแหละอยู่ไปยืดยาวไปสักหน่อยหนึ่งด้วยเหตุที่ความไม่คงทนคงที่ของมันหรือมันก็พลิกไปมันก็หายไปความโกรธก็เช่นเดียวกันสักหน่อยหนึ่งปล่อยสักหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวมันมันจะสงบไปมันก็หายไปแต่การที่มันหายไปด้วยภาวะของมันเองเนี่ยมันไม่ทําให้เรารู้เหตุที่ที่มาที่ไปของมันเพราะฉะนั้นเราในเมื่อเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องย่ดอย้อนดูไปที่เหตุเหตุเกิดของมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเหตุดับของมันอ่ะมันดับด้วยเหตุใดเพราะฉะนั้นในหลักมหาสติปัฏฐานท่านจึงให้ให้คำบอกรู้ จิตมีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะจิตประศจากราคะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่ามีจิตมีโทสะจิตหายโทสะก็ให้รู้ว่าจิตหายโทสะนี่คือเอาสติตามกำหนดจ่อทุกระยะทุกเวลามีมาสติปัฏฐานให้เอาจิตเอาจิตเป็นอารมณ์ จิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะจิตประศิจาราคะก็รู้ว่าจิตประศิจาราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะเพื่อรู้รู้ตามตลอดการที่เรารู้เรารู้ตามตลอดก็คือมันเกิดขึ้นมันก็สักเพร่ า, าเป็นกิริยาของมันเวลามันเกิดขึ้นในเมื่อเราไม่ไปเสริมมันมันก็ตั้งอยู่ตรงไมันก็ดับไปของมัน ดับไปเราก็รู้มันเกิดขึ้นมาเราก็รู้นอกจากรู้ว่ามันเกิดขึ้นมา fera, แล้วเราก็ตามไปดูเหตุของมันอีกการที่เราตามเข้าไปดูเหตุนี่แหละมันเป็นทําให้เป็นเหตุทําให้เราเข้าไปรู้รากเหง้าต้นตอของมันรู้รากเหง้าต้นตอของมันแล้วเราก็จะได้ดึงออกถึงเราไม่ดึงออกเมื่อเราเข้าไปรู้เราเข้าไปเห็นแล้วมันก็หมดไปมันก็หดหายตัวไปราคะ โทสะในเช่นเดียวกันทั้งราคาทั้งโทสะมันก็เกิดขึ้นจากโมหะตัวเดียวนี่แหละความที่มั น, นมนีอำนาจบดบงังไวพริบสติปัญญาของเราชั่วชั่วเ ส, ส้นผมเดียวพริกเส้น ผ, ผมเดียวมันก็ไปแล้วที่เรียกวา่าโมหะโมหะคือความหลงหลงไปกับอารมณ์ใจมันหลงมันหลงไปกับอารมณ์มันเพลินไปกับอารมณ์เรียกว่าโมหะโมหะ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องภายในเท่านั้นถ้าเราส่งจิตเข้ามาข้างหนพิจารณาเข้ามาข้างในเราก็จะรู้เราจะเข้าใจแต่ถ้าหากเราไม่ส่งมาข้างในแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องเราฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ท่านพูดอะไรฟังไม่รู้เข้าใจแต่ถ้าเราย้อนมากกำหนดอยู่ที่ใจตามรู้ตามเห็นที่ใจงานท้งนี้มันเป็นงาน มันเป็นงานข้างในมันเป็นงานอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะอาศัยปัญญาอาศัยจิตเป็นหลักในการทํางานหมุนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่จํากัดว่ายืนเดินนั่งนอนเราสามารถทําได้ทั้งหมดนั่ง อ, อกตั้งใจทุกทำเมื่อเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมเข้าไปกลายเป็นประสงค์กลายเป็นภาริยสง์ คุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เราอย่าลืมอย่าลืมคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อย่างในบทที่เราสวดบทพุทธคุณบทธรรมคุณบทสังฆคุณพุทธคุณ9สังฆคุณ6พุทธคุณ9้าธรรมคุณหสังฆคุณ9สังฆคุณ9สังฆคุณเก้าดูไามว่า ท่านตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติจนกลายเป็นผลขึ้นมาเต็มที่แล้วสุปฏิปันโนภควาโตสวาวกสังโขพระสงฆ์สาวกของรพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้ววุชุปฏิบัติตรงแล้วสามีจิปฏิบัโโติดีแล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวะสังโคอหุเนยโยปาหุเนยโยดักขิเยโ ย, โยควร เคารพควรกราบไหว้ควรให้ของต้อนรับควรให้ทักษินายะควรให้ทานควรนบอัญชลีกรณโยนุตรังคุญะเกียตังโลกัสะพระสงค์ทั้งนี้เป็นเนื้อหนาบุญของโลกเป็นเนื้อหนาบุญของโลกมีหมายความว่าจำระขัดกลาบจิตใจไปแล้วมีผลมีอ น, นิสง้าก เทียบเหมือนว่าเนื้อนาสลับคนอื่นมาทําบุญทำวันพืชลงไปว่าน้อยก็ได้ผลมากวันมากก็ยิ่ได้มากเข้าไปอีกท่านเก็บเทียบว่าเป็นเนื้อนาบุญปุญญะเขตปุญญะเขตแล้วว่าเนื้อนาปุญญะเขตเขตต่างเขตต่างแปลวันนาแปลวันนาบุญปุญญะเขตแปลวันนาบุญนาบุญตัวนี้เป็นคําเปรียบเทียบเหมือนกับพระสงฆ์นี่ท่านมีสลับ ให้คนมาทำบุญด้วยแล้วได้ผลได้ประโยชน์ด้านนี้สงมากได้บุญเพิ่มพูนทวีฟูนมากนี่พุทธคุณธรรมคุณสังคุณเราอย่าลืมสมมติเราหาข้อปฏิบัติอะไรไม่เจอเรามนลึกรึกถึงคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เราก็จะได้ข้อปฏิบัติเราเราลึกถึงศีลเรารึกถึงสมาธิเรารึกถึงปัญญาเรารึกถึง เลึกถึงอินทรีย์5าลึกถึงพระหเนี่ยศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วเราลึกถึงข้อปฏิบัติเข้าไปอริยสัจทั้งสสถานที่ทํางานกําหนดเข้ามากําหนดดูกายกายกําหนดรู้กําหนดดูกายกายเป็นสิ่งควรกําหนดรู้แล้วกําหนดดูกายกําหนดดูกายแล้วก็ย้อนไปที่จิตเพื่อที่จะไปได้เห็นสมุทยัย สมุทัยเวลามันเกิดมันเกิดที่จิตสมุทัยก็คือตัณหานั่นแหละเวลามันเกิดมันเกิดที่จิตมันเกิดท um ี่ใจเช่นอย่างกำหนดพิจารณาดูกายกายถ้าเราไม่กำหนดพิจารณาเราก็ลุ่มหลงกายยึดกายเมื่อยึดกายเราก็ต้องยึดกายเขาด้วยยึดสิงของของที่เกี่ยวเนื่องโดยกายอีกด้วยท่านจึงให้กำหนดพิจารณากายถ้าเราไม่กำหนดพิจารณากายเราลุ่มหลงกายแล้วก็ยึดกายว่าเป็นกายของเราเป็นกายคน เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตัวนขึ้นมาเนี่ยหลงยึดเนื่อหะเนื่องจ า, ากว่าเราไม่พิจารณาแต่ถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นความจริงของมันเราจะเห็นสัจธรรมของมันมันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอาการของมันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อจนถึงมูดน้ำมูดน้ำขุดาการสามสิสองเนี่ยดนินน้ำลมไฟเป็นส่วนรูปธรรม เราย้อ น, นเข้ามาลึกเข้ามาพิจรารณาเข้ามาถ้าไม่พิจารณาเราก็ลุ่มหลงเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เรากําหนดดูในเมื่อเรากําหนดเราพิจารณาไปแล้วเราเห็นตัวตันหามาแสดงที่จิต ừ ừ. มันแสดงมารักกายนี้มันแสดงมาชังกายนี้มันแสดงมาชอบกายนี้ในเมื่อเราย้อนไปเห็นก็คือไปเห็นเหตุของมัน นี่โอ้นี่เหตุของมันเนี่ยเจ้าของของมันนี่เจ้าตัวของมันที่มันคอยยึดคอยเกาะอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราในเมื่อเราเห็นเรื่อยๆซ้องเข้าไปเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆมันก็อ่อนแรงมันก็อ่อนกําลังมันก็ค่อยๆละลายหายตัวไปเรื่อยละลายหายตัวไปเรื่อยละลายหายตัวไปเรื่อยละลายหายสาบสูญไปจนหมดนี่คือเอาตะปัดทำไปเผดไปเผามัน มันก็หายสาบสูนย์ไปทีละเล็กทีละน้อยไปจนหมดนี่คือการชรําระขัดกลาให้จิตเราบริสุทธิ์นะเพราะความโลภความโกรธความรุ่มหลงการมาตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัญหามันเป็นพลังของกิเลสที่แทรกมากับใจแทรกมากับจิตคือผู้รู้คือธาตุรู้ธาตุรู้ไม่บริสุทธิ์มีสิ่งเหล่านี้แทรกเข้ามาด้วยเคลือบเข้ามาด้วยการปฏิบัติธรรมของเราก็คือเราพยายาม ไปชำระไปแยกกิเลสกลุ่มนี้แล้วออกไปคือย้อนดูมันย้อนดูมันย้อนดูมันเป็นตะปะทำเผามันเรื่อยแผดเผามันเรื่อยแผดเผามันเรื่อมยมาใส่ความภาคความเพียรแผดเผาไปเรื่อยแผดเผาไปเรื่อยมันก็จะค่อยๆหด ห, หายไปหดหายไปห ด, ป ห, ด, ป ห, ดปปปหายไปหมดไปหมดไปสึกไปกล่อนไปหายไปในสุดเหือดแห้งไปกิเลสเหือดแห้งไป มายาที่จะทําให้จิตตัวนี้ดวงนี้เศร้าหมองมันก็ค่อยเงียบไปแห้งไปแห้งไปชําระไปใจของเราก็สว่างเป็นตัวของตัวไม่ถูกกิเลสมันใช้กลอนอุบายมายันรอเราไปโดยถ่ายเดียวยเมื่อเรามีทำภายในใจเราจะมาขัดกล่าวมันออกไปในที่สุมันออกไปจนหมดผู้รู้ก็บริสุทธิ์นี่คือวิธีการชราําระขัดกล่าวจิตใจของเราการทํ า, ทาความภาคความเพียร เป็นเป็นเรื่องสําคัญมากเราทําอะไรทุกอย่างเราต้องย้อนมาตะล่อมเข้ามาเพื่อเป็นสบียงเป็นกําลังใจมาหล่อเลี้ยงทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะหมุนเข้ามาทํางานภายในอย่าลืมเพราะว่ามาตะล่อมมารวมกันแล้วเป็นบุญเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่บุญที่ยิ่งใหญ่มาประทับอยู่ที่ใจจนใจสว่างไสวปลอดปโรปรยจะปราศเสียงเหล่นั้นให้หลุดล่วงไป ถึงความสุขอย่างเต็มที่ประมังสุ ข, ขังประมังสุ ข, ขังถึงความสุขถึงมรร ม, มาสุขมร ม, มสุขอย่างเต็มที่ก็คือการต่อสู้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ชำระสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปให้สิ้นไปจากขันทสันดานถ้าเราไม่หันใจไม่ย้อนใจเข้ามาข้างในเราดูยากว่าจะฟังยากนะแต่ถ้าเราย้อนมาข้างในเนี่ยเราจะเห็นทางปฏิบัติ ในใจของเราเนี่แหละใจมันจะมันก็จะเกาะมันก็จะเกี่ยวข้องมันจะผูกพันกับเรื่องที่พูดกับงานอยู่ข้างในที่ทำเนี่ยเราฟังมากมายมันเป็นเหตุสับสนมันเป็นเหตุสับสนเราไม่ต้องจับอะไรมากเราจับสติตัวเดียวกําหนดกับลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่เอาแค่นี้แหละพราจิตมันเริ่มอยู่ พอจิตมันเริ่มอยู่อย่างอื่นมันก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นเราค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นค่อยๆเริ่มแข็งแรงขึ้นจิตใจก็จะค่อยๆเริ่มสว่างสว ย, ข, ยวส ข, วสขึ้นอย่าไปคิดมากตามที่พูดนะมันสับสนช่วงไหนเข้าใจก็เข้าใจช่วงไหนไม่เข้าใจก็ปล่อยไปเรามาอยู่กับความสงบจากสงบมากกับพิจารณาเสาะหน้าเสาะลัางเสาะลังเสาะหน้าเสาะไปเรื่อยๆ หามันจะเป็นไปตามแนวตามแถวนี้แหละเราไม่ต้องไปกังวลว่าท่านผู้อะไรมากมายเยอะๆฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องเอาให้สงบสัก่อนเอาให้จิตมันได้รับความสงบสัก่อนพอเริ่มสงบมันก็จะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเรื่องสัจธรรมสัจธรรมภายในกายของเราสัจธรรมภายในใจของเราสัจธรรมอยู่รอบข้างตัวเราเีมันก็จะเริ่มปรากฏจิตของเราก็จะเริ่มเชื่อง อารมณ์ภายในจิตใจก็จะเริ่มได้รับความสุขได้รับความแช่มชื่นได้รับความเบิกบา น, นก็พลอยมีกําลังใจพลอยมีกระจิตกระใจในการที่จะทําไปแต่ถ้ า, าไปนั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงทั้งวี่ทั้งบนันแล้วก็หมดเท่านั้นแหละแข่ชุดนั้นจะดีเสื้อชุดนั้นจะดีหมดเท่านั้นแหละในสุขห้ำขาเท่านั้นแหละพิจารณาให้ดีก็แล้วกันนะบางคนพิจารณาให้ดี ตอนนี้เรามาแสวงหาปัญญาเพื่อทำลายความลุ่มหลงเพื่อทำลายกองทุบที่มันทับท่วมหัวใจของเราตั้งให้ดีตั้งหลักตั้งหลักให้ได้อย่าหลงไปกับมันอย่าเผลอไปกับมันอย่าหลวมตัวให้กับมันอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กให้เห็นเป็นเรื่องใหญ่ให้เห็นเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะตั้ง อ, อกตั้งใจทําอย่าไปทําศัพท่ว่าทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอา ทำกัทำไม่ทำกับไม่ทำเดี๋ยวนันก็ไม่ได้อะไรแหละมันก็ไปไม่ถึงไหนแหละตั้งอกตั้งใจทำทำให้ใจได้รับความสงบมันจะมีกรจิกระจายที่จะทำจากนั้นก็ใช้ความนึ้ความคิดประกอบกปด้วยสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวพิจารณาไปพิจารณาทิ้งความเป็นอยู่ของเราพิจารณาทิ้งอัตภาพร่างกายของเรา พิจารณาถึงอารมณ์ที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตน่ะจับตรงนั้นให้ได้แล้วจะมีความสุขสนุกสนุกกับงานมาสนุกกับงานในภายในที่มันเกี่ยวข้องกันจับให้มันได้ถ้าจับไม่ได้มันก็สับสนวุ่นวายเครียดแต่ถ้าเราจับได้เราสนุกเพราะงานมันมีมีอยู่ข้างในทํางานอยู่ข้างในสนุกนอยู่กับ ง, งานอยู่ข้างในอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกัอยู่กับจิตเนจับให้ทันดูให้ทัน สติสัมปชัญญะให้ทันมันถ้าไม่ทันมันก็คือจับงานไม่ะจับงานไม่ไดก็ทำงานไมไดเลยถูกมันแย่แย่ไปแย่มาก็สับสนเลยหมดเลยจิตใจสับสนตาเหลือกตาลานไปหมดมันรู้จะก้าวหน้ามันรู้จะถอยหลังมันรู้อะไรเป็นอะไรเนยมุ่นไปหมดในจิตในใจเราเป็นเหตุเครียดขึ้นมามันรย้จะไปทางไหนละแต่ตาลูกกับตาลูกเดียวนี่แหละสลูกนี่แหละ ไอ้ทั้งจะหันซ้ายทั้งจะหันขวาไอ้ทั้งจะรีบนรีล่างหนัหนักหนัก ห, กหกเข้ากันเลยรีรีขวางขวางเขาเรียกตาขวางตาขวางร้อยใจมันขวางใจมันทั้งจะนึกเรื่องนั้นทั้งจะคิดเรื่องนี้ไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่ตกลงตรงใจไม่ได้เครียดสับสนอลรธมานตารีต า, ตาขวางไม่เป็นทายูต้องระวังให้ดีเราจะเราจะตัดอันนี้ได้ไง เราตัดได้ด้วยทําจิตให้ได้รับความสงบเมื่อสงบแล้วมันไม่เรีรีคลั่งขวาและมันจะมีจิตดวงเดียวถ้าจะอยู่กับอารมณ์มันก็จะมีอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธนึกเรื่องเดียวนึกสิ่งเดียวนึกคําเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ต้องไปคิดนึกมากไมยมันสับสวนวุ่นวายเราตั้งหลักแค่นี้ได้เราตั้งตัวแค่นี้ได้เราก็ได้รับความสบายตามฐานะของเรา น้ำอกตั้งใจนะน้ำพอสมควรแล้ว